Copyright Goethe Salak München. Book two. l i p เสียงฟรีในหลายภาษาหนึ่งเอกเอกนีกดีฉันแม่ แมดิฉันและคุณแม่ออร์ตุมแม่ออร์ตุมเราทั้งสอง ham ทัมโดองเขาว่าเขาและเธอวะ और वह वह और वह เขาทั้งสองเวสองวีสองผู้ชายผู้ชายผู้หญิงสตรีสตรีเด็ก ब ั् च ์จ้าบัตจครอบครัวปาริบารปริารครอบครัวของดิฉันเมราปาริบาร์เมราปาริาครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่เมปริบารย่า เมียร์าพาริมาร์อยดิฉันอยู่ที่นี่แม่อยู่ที่นี่แม่อยู่ที่นี่คุณอยู่ที่นี่ตุมอยู่ที่นีุ่มอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่และเธออยู่ที่นี่ वह य ह ां है और वह य ह ां है। वह यहाँ है और वह य ह ां है। เราอยู่ที่นี่ฮัมยังฮะเฮ้คุณอยู่ที่นี่ทุ่มซับยังฮ सब य ยांหोหพวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่เวสับย่าห์เฮ้เวสย่ห